ทำอินทรีย์ให้แก่กล้าด้วยอาการก้าแต่ถ้าว่าโยคีผู้ใดเมื่อทำโยคะโดยนัยวิปั ส, สนาดังกล่าวมานั้นนัยวิปั ส, สนาไม่ถึงพร้อมคืออุทธพยัญาณ ย, ยังไม่เกิดโยคีผู้นั้นพึงทำอินทรีย์ห้ามีศรัทธาเป็นต้นให้แก่กล้าด้วยอาการก้าวอย่างที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่า อินทรีย์ทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นจะแก่กล้าด้วยอาการ9ก้าคือหนึ่งเห็นแต่ความดับอย่างเดียวของสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้ว 2. และในการเห็นความดับนั้นโยคียจะทำวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อมให้เกิดด้วยการทำด้วยความมีสติสาม ทำวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อมด้วยการทำให้ต่อเนื่องกันไว้ 4. ทำวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อมด้วยการทำในการเสพสัพปายะ 5. ทำวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อมด้วยการกำหนดนิมิตของสมาธิ 6. ทำวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อม ด้วยการดําเนินไปโดยความเหมาะสมของโพชฌงเจ็ดเจ็ทำความไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตให้เกิดขึ้น 8. ในการไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตนั้นโยคียจะทำให้เกิดวิปัสนาภาวนาด้วยการข่มไว้ซึ่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วผ่านพ้นทุกขเวทนานั้นๆออกไป สำหรับข้อนี้ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อปฏิบัติขึ้นถึงสัมมาสนญยาณโยคีแทบทุกคนขณะนั่งกำหนดไปกำหนดไปในบางบาลังจะเกิดทุกเขเวทนารุนแรงเป็นอย่างยิ่งเช่นปวดเขา่าปวดขาปวดแข้งปวดข้อเท้าถ้าโยคีไม่อดทนพอหยุดเลิกเลิกกำหนดเสียเมื่อนั่งกำหนดในบาลังต่อไป ก็จะเกิดทุกขเวทนารุนแรงเช่นนั้นอีกแต่ถ้าโยคีใดสามารถต่อสู้ทุกขเวทนานั้นโดยอดทนนั่งกำหนดจนทุกขเวทนานั้นผ่านพ้นหายไปเสียสักครั้งหนึ่งสองครั้งทุกขเวทนาเช่นนั้นจะไม่เกิดอีกหรือเกิดขึ้นก็น้อยลงไปและไม่รุนแรงประการที่เก้า และด้วยการไม่ละเลิกหรือหยุดพักเสียในระหว่างแล้วโยคีนั้นพึงหลีกเลี่ยงอสัพปายะคือสิ่งไม่เป็นที่สบายเจ็ดอย่างเสียแล้วเสพอยู่แต่สัพปลายะคือสิ่งเป็นที่สบายเจ็ดอย่างตามในยะที่กล่าวไว้แล้วในปัตวีกสินนิเทศในคำภีวิสุทธิมักกำหนดรู้รูปในเวลาหนึง่ง กำหนดรู้เอารูปคือสิ่งไม่ใช่รูปคือจิตในเวลาหนึ่งคนละเวลาไม่ควรกำหนดรู้ด้วยกันในเวลาเดียวเมื่อกำหนดรูปโยคยีควรดูความเกิดของรูปด้วยเช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้วิธีกำหนดรู้ความเกิดของรูป คือธรรมดารูปนี้เกิดขึ้นมาด้วยเหตุสี่อย่างมีกรรมเป็นต้นในสี่อย่างนั้นรูปของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากกรรมก่อนความจริงเฉพาะในขณะปฏิสนธินั่นเองพูดถึงสัตว์จำพวกคับพเศษยกะคือสัตว์ที่เกิดในคันเช่นมนุษย์พูดถึงสัตว์จำพวกคัาพเศษยกะก่อน รูปสามสิบที่เรียกว่าวัตถุทัศกะหมวดสิบของวัตถุกายทัศกะหมวดสิบของกายและภาวะทัศกะหมวดสิบของภาวะก็เกิดขึ้นโดยสันตติสามและรูปสามสิบเหล่านั้นเกิดขึ้นในอุปาทขณะคือขณะบังเกิดขึ้นของปฏิสนธิจิตด้วยเหมือนกัน รูปสามสิบเหล่านั้นเกิดขึ้นในอุปาทขณะโดยเฉพาะชันใดก็เกิดขึ้นทั้งในทิติขณะทั้งในพังคะขณะเช่นกันชันนั้นในรูปและจิตนั้นรูปดับช้าแปลเปลี่ยนยากจิตดับเร็วแปลเปลี่ยนง่ายเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นสิ่งอื่นแม้แต่สิ่งเดียวซึ่งแปลเปลี่ยนง่ายเหมือนดังจิตนี้เพราะว่าเมื่อรูปทำรงอยู่นั่นแหละหวังคจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปดับไปถึงสิบหกครั้งอุปาทขณะก็ดีทิติขณะก็ดีพังคะขณะก็ดีของจิตก็เป็นอย่างเดียวกันแต่เฉพาะอุปาทขณะและพังคะขณะของรูปนั้น เบาคือสั้นเช่นเดียวกับอุปาทาคขณะและพังคคขณะของจิตแต่ท่าว่าทิติขณะของรูปใหญ่คือยาวและดำเนินไปตลอดเวลาเท่ากับจิตเกิดขึ้นระดับไปสิบหกดวงพวังคจิตดวงที่สองเกิดขึ้นเพราะอาศัยหัยวัตถุซึ่งเกิดขึ้นแล้วในอุปาทาคขณะของปฏิสนธิจิต ถึงความตั้งอยู่คือทิฏฐิขณะภวังคจิตดวงที่สามก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยหทายวัตถุอันเกิดขึ้นพร้อมกับภวังคจิตดวงที่สองนั้นซึ่งเกิดอยู่ก่อนแล้วและถึงความตั้งอยู่คือทิฏฐิขณะพึงทราบความเป็นไปของจิตจนตลอดอายุโดยในยะนี้ แต่ถ้าว่าสำหรับผู้ใกล้ถึงมรณะจิตส6หดวงจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยหัตยวัตุอันเดียวนั่นและซึ่งเกิดอยู่ก่อนแล้วและถึงความตั้งอยู่รูปที่เกิดขึ้นในอุปาทาขณะของปฏิสนธิจิตจะดับไปพร้อมกับจิตดวงที่สิบหกลำดับมาแต่ปฏิสนธิจิตรูปที่เกิดขึ้นในฐานะขณะ คือทิฏฐิขณะจะดับพร้อมกับอุปาทคณะของจิตดวงที่สิบเจ็ดรูปที่เกิดขึ้นในพังค์คขณะครั้นถึงฐานะขณะของจิตดวงที่สิบเจ็ดก็ดับไปอันว่าความเป็นไปของจิตยังมีอยู่ตราบใดรูปก็ยังเป็นไปอยู่ตราบนั้นด้วยประการชนี้นั่นแหละ ถึงแม้สัตว์ทั้งหลายจำพวกอบปฏิกะรูปเจ็ดสิบก็เป็นไปด้วยสันตติเจ็ด้วยอาการอย่างนี้เช่นกันการจำแนกรูปเกิดจากกรรมในความเป็นไปของรูปเกิดแต่กรรมนั้นควรทราบวิภาคคือการจำแนกดังนี้คือหนึ่ง สองกรรมมสมุทฐานคือรูปมีกรรมเป็นสมุทฐานสกรรมมปัจัยคือรูปมีกรรมเป็นปัจจัย4กรรมมปัจยาศิตธะสมุทฐานคือรูปมีจิตซึ่งมีกรรมเป็นปัจัยเป็นสมุทฐาน5กรรมมาปัจยยอาหารสมุทฐานคือรูปมีอาหาร ซึ่งมีกรรมเป็นปัจจัยเป็นสมุทฐานหกก ร, รมมาปัจจยะอุตตุมุทฐานคือรูปมีฤดูซึ่งมีกรรมเป็นปัจจัยเป็นสมุทฐานในวิภากนั้นเจตนาที่เป็นกุศลและอกุศลชื่อว่ากรรมวิปากขันธ์ทั้งหลายและรูปเจ็ดสิบท่วน มีจักขคทัศกะเป็นต้นชื่อว่ารูปเป็นกรร ม, มสมตรฐานวิปากขันและรูปเจ็ดสิบนั้นนั่นแหละชื่อว่ารูปเป็นกรร ม, มปัจจัยเพราะว่ากรรมเป็นอุปทามภกบปัจจัยของรูปที่เป็นกรร ม, มสมตรฐานด้วยรูปมีวิปากจิตเป็นสมุดฐาน ชื่อว่ารูปเป็นกามปัจจยจิตตะสมุทฐานโอชาที่ถึงความตั้งอยู่ในรูปทั้งหลายที่มีกรรมเป็นสมุดฐานทําโอชาธรรมกะรูปอื่นให้ตั้งขึ้นอีกทั้งโอชาในโอชาธรรมกะรูปซึ่งมีกรรมเป็นสมุทฐานและมีอาหารเป็นสมุทฐานนั้นที่ถึงความตั้งอยู่แล้วก็ทําให้โอชาธรรมกะรูปอื่นตั้งขึ้น สืบต่อความเป็นไปสี่หรือห้าวาระอย่างนี้ด้วยประการชนนี้ชื่อว่ารูปเป็นกามปัจจยะอาหาราสมุทฐานเตโชธาตเกิดจากกรรมที่ถึงความตั้งอยู่แล้วทำโอชัธรรมกะรูปซึ่งมีฤ ด, ดูเป็นสมุทฐานให้ตั้งขึ้นอีกทั้งฤดูในโอชัธรรมกะรูปนั้นก็ทำโอชัธรรมกะรูปอื่นให้ตั้งขึ้น สืบต่อความเป็นไปสี่หรือห้าวาระอย่างนี้ด้วยประการชนีชื่อว่ารูปเป็นกรรมปัจจยะอุตตุสมุทฐานพึงเห็นความเกิดขึ้นของรูปเกิดแต่กรรมด้วยประการดังกล่าวนี้ก่อนการจำแนกรูปเกิดจากจิตแม้ในรูปเกิดจากจิตทั้งหลาย ก็พึงทราบวิภาคดังนี้คือหนึ่งจิตสองจิตตสมุดฐานคือรูปมีจิตเป็นสมุดฐาน 3. จิตตปัจจัยคือรูปมีจิตเป็นปัจจัย 4. จิตตปัจยอาหาราสมุทฐานคือรูปมีอาหารซึ่งมีจิตเป็นปัจจัยเป็นสมุดฐานและห จิตตะปัจยะอุตุสมุทฐานคือรูปมีรดูซึ่งมีจิตเป็นปัจจัยเป็นสมุทฐานในวิภาคนั้นจิตแปดสิบเก้าดวงชื่อว่าจิตและในจิตทั้งหลายแปดสิบเก้าดวงนั้นจำแนกไว้ดังนี้จิตสามสิบสองดวงพวกหนึ่งจิตยี่สิบหกดวงพวกหนึ่ง จิตเกดวงพวกหนึ่งจิตสิบหดวงพวกหนึ่งปรากฏว่าเป็นจิตที่ทำรูปทำอิริยาบทและทำวิญยติให้เกิดก็มีและไม่ทำให้เกิดก็มีจริงอยู่กามาวจราจิตมีจิตส2สบสองดวงคือกุศลละจิต8ปดอากุศลละจิตสิสองกิริยาจิตสิบ เว้นโนธาตุอภิญญาจิตสองโดยกุศลหนึ่งกิริยาหนึ่งเหล่านี้ทำรูปอิริยาบถและวิ ญ, ญัติให้เกิดเป็นพวกหนึ่งจิตยี่สิบหกดวงคือรู ป, ปาวัจราจิตสิบที่เหลือเว้นวิบากน์อรู ป, ปาวัจราจิตแปดอีกทั้งโลกุจราจิต8ปดทำรูปและอิริยาบถให้เกิด แต่ไม่ทำวิ ญ, ญัติให้เกิดเป็นพวกหนึ่งจดสิบเก้าดวงคือพวังกจิตสิบในกามาวจรพวังกจิตห้าในรูปภาวจรมโนธาสามวิปากะอเหตุุกะมโนวิญญาณธาตุเป็นไปกับโสมนัตหนึ่งทำรูปให้เกิดได้อย่างเดียวไม่ทำอิรรยาบทไม่ทำวิญยติให้เกิด เป็นพวกหนึ่งจิตสิบหกดวงคือปัญจวิญญาณสองในวงเล็บห้าคูณสองเท่ากับสิบปฏิสนธิจิตของสัตว์ทั้งปวงหนึ่งจุติจิตของพระขีนาสพทั้งหลายหนึ่งอารูปปาวัจราวิปากจิตสีไม่ทำรูปให้เกิดขึ้นโดยแท้และไม่ทำอิริยาบถไม่ทำวิญญาติให้เกิด เป็นพวกหนึ่งอันหนึ่งในจิตเหล่านี้จิตทั้งหลายใดทำให้รูปเกิดจิตทั้งหลายนั้นไม่ทำรูปให้เกิดในทิฏฐิขณะหรือในพังคะขณะเพราะว่าจิตในขณะทั้งสองนั้นมีกําลังอ่อนแต่ว่าในอุปาคะขณะจิตมีกําลังแรงเพราะฉะนั้น จิตนั้นอาศัยวัตถุรูปที่เกิดก่อนในขณะนั้นแล้วทำรูปให้เกิดรูปเกิดจากจิตประการที่สองขันไม่มีรูปสามและรูปสิบเจ็ดอย่างคือสัทธนวะกะกายวินยติวจีวินยติอากาศธาต ลหุตามุทุตากรมมัยตาอุปัจยะและสันตติชื่อว่ารูปมีจิตเป็นสมุดฐานรูปเกิดแต่จิตประการที่สามรูปมีสมุดฐานสี่ที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าธรรมะทั้งหลายคือจิตและเจตสิกที่เกิดแล้วภายหลัง เป็นปัจจัยโดยเป็นปัจฉาชาตะปัจจัยของกายนี้ที่เกิดแล้วก่อนดังนี้ชื่อว่ารูปมีจิตเป็นปัจจัยรูปเกิดแต่จิตประการที่สี่โอชาที่ถึงความตั้งอยู่ในรูปมีจิตเป็นสมุทฐานทั้งหลายทำโอชาธรรมกะรูปอื่นให้ตั้งขึ้น สืบต่อความเป็นไปสองหรือสามวาระโดยอาการอย่างนี้ชื่อว่ารูปเป็นจิตตปัญญะอาหาราสมุตฐานรูปเกิดแต่จิตประการที่ห้าฤดูที่มีจิตเป็นสมุตฐานถึงความตั้งอยู่แล้วทําโอชาธรรมะรูปอื่นให้ตั้งขึ้นสืบต่อความเป็นไปสองหรือสามวาระ โดยอาการอย่างนี้ชื่อว่ารูปเป็นจิตตปัจยะอุตุสมุทฐานพึงเห็นความเกิดขึ้นของรูปเกิดจากจิตด้วยประการดังกล่าวนี้การจําแนกรูปเกิดจากอาหารแม้ในรูปเกิดจากอาหารทั้งหลาย ก็พึงทราบวิภาคดังนี้คืออาหารอาหารสมุดฐานคือร er um ูปมีอาหารเป็นสมุดฐานอาหารปัจจัยคือรูปมีอาหารเป็นปัจจัยอาหารับปัจจยาอาหารัสมุดฐานคือรูปมีอาหารซึ่งมีอาหารเป็นปัจจัยเป็นสมุดฐานและอาหารับปัจจยอุตตุสมุทฐานคือรูปมีฤดู ซึ่งมีอาหารเป็นปัจจัยเป็นสมุดฐานในวิภากนั้นอาหารที่ทำเป็นคาคำชื่อว่าอาหารรูปสิบสี่อย่างคือโอชธรรมกะรูปที่โอชาซึ่งได้รูปเกิดจากกรรมมีใจครองเป็นปัจจัยแล้วตั้งอยู่ในรูปเกิดจากกรรมนั้นถึงความตั้งอยู่แล้วทำให้ตั้งขึ้นแปดอากาศธาหนึ่ง ละหุตาหนึ่งมุทุตาหนึ่งกรรมมัจยะตาหนึ่งอุปัจจะยะหนึ่งและสันตติหนึ่งชื่อว่ารูปเป็นอาหารสมุตฐานรูปมีสมุตฐานสี่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างนี้ว่าอาหารที่ทําเป็นคำเป็นปัจจัยโดยอาหารรับปัจใจของกายนี้ดังนี้ชื่อว่ารูปเป็นอาหารปัจจัย โอชาที่ถึงความตั้งอยู่แล้วในรูปที่มีอาหารเป็นสมุทฐานทั้งหลายทำโอชาธรรมกะรูปอื่นให้ตั้งขึ้นอีกทั้งโอชาในโอชัธรรมกะรูปนั้นก็ทำโอชัธรรมกะรูปอื่นให้ตั้งขึ้นอีกสืบต่อความเป็นไปสิบหรือสิสองวาระอย่างนี้ด้วยประการชนี้ชื่อว่ารูปเป็นอาหารปัจจยะอาหารสมุตรฐานเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ อาหารที่บริโภคแล้วในวันหนึ่งอุปถัมภ์รูปอยู่ได้ตลอดทั้งเจ็ดวันส่วนโอชาที่เป็นของทิพย์อุปถัมภ์รูปอยู่ได้ตลอดหนึ่งเดือนหรือตลอดสองเดือนบ้างอีกทั้งอาหารที่มารดาบริโภคก็แผ่ไปสู่ร่างกายในทารกคือในคันแล้วทำรูปให้ตั้งขึ้นถึงแม้อาหารที่ฉาบทาไว้ที่ร่างกายก็ทำรูปให้ตั้งขึ้น อาหารเกิดแต่กรรมชื่อว่าอุปาทินนกาอาหารหมายถึงอาหารของสัตว์ผู้มีใจครองแม่อุปาทินนกาหารนั้นถึงความตั้งอยู่แล้วก็ทำรูปให้ตั้งขึ้นอีกทั้งโอชาในรูปนั้นก็ทำรูปอื่นให้ตั้งขึ้นด้วยสืบต่อความเป็นไปสี่หรือห้าวาลระอย่างนี้ด้วยประการชนี้ รูปเกิดจากอาหารประการที่ห้าเตโชธาตมีอาหารเป็นสมุดฐานถึงความตั้งอยู่แล้วทำโอชัธรรมกะรูปซึ่งมีฤดูเป็นสมุดฐานให้ตั้งขึ้นชื่อว่ารูปเป็นอาหารปัจยาอุตุสมุดฐานในสมุดฐานทั้งหลายนั้นอาหารนี้เป็นปัจใจเพราะเป็นผู้ทำให้รูปที่มีอาหารเป็นสมุดฐานทั้งหลายเกิดขึ้น เป็นปัจจัยของรูปที่เหลือคือรูปมีกรรมมีจิตและมีฤดูเป็นสมุทฐานทั้งหลายโดยเป็นนิสยปัจจัยอาหารปัจจัยอธิปัจจัยและอวิคตะปัจจัยด้วยประการชนี้พึงเห็นความเกิดขึ้นของรูปเกิดจากอาหารด้วยประการดังกล่าวนี้ จำแนกรูปเกิดจากฤดูแม้ในรูปเกิดจากฤดูทั้งหลายก็พึงทราบวิภาคดังนี้คืออุตตุคือฤดูอุตตุสมุทฐานคือรูปมีฤดูเป็นสมุทฐานอุตตุปัจจัยคือรูปมีฤดูเป็นปัจจัยอุตตุปัจจยะอุตตุสมุทฐาน คือรูปมีฤดูซึ่งมีฤดูเป็นปัจจัยเป็นสมุดฐานและอุตตุปัจจยาอาหารสมุดฐานคือรูปมีอาหารซึ่งมีฤดูเป็นปัจจัยเป็นสมุดฐานในวิภาคนั้นเตโชธาตมีสมุดฐานสี่ชื่อว่าอุตตุคือฤดูแต่ฤดูนี้มีอยู่สองอย่างดังนี้คือ ฤดูร้อนหนึ่งฤดูหนาวหนึ่งฤดูมีสมุดฐานสี่ได้รูปอุปัินนกะเป็นปัจจัยแล้วถึงความตั้งอยู่ทำรูปให้ตั้งขึ้นในร่างกายชื่อว่ารูปเป็นอุตตุสมุดฐานรูปมีฤดูเป็นสมุดฐานนั้นมีอยู่สิบห้าอย่างคือสัทธนวกะเก้าอากาศธาตุหนึง่งละหุตาหนึง่ง มุทุตาหนึ่งกา ม, มัตยตาหนึ่งอุปัจจะยาหนึ่งและสันตติหนึ่งฤดูเป็นปัจจัยแห่งความเป็นอยู่และแห่งความชิบหายของรูปทั้งหลายที่เกิดด้วยสมุทฐานสี่ชื่อว่ารูปเป็นอุตตุปัจจัยเตโชธาตมีฤดูเป็นสมุทฐานถึงความตั้งอยู่แล้ว ทำโอชัธรรมกะรูปอื่นให้ตั้งขึ้นอีกทั้งฤดูในโอชัธรรมกะรูปนั้นก็ทำโอชัธรรมกะรูปอื่นให้ตั้งขึ้นด้วยรูปมีฤดูเป็นสมุทฐานแม้ตั้งอยู่ในฝ่ายเป็นอนุปาตินกะรูปก็ยังเป็นไปอยู่ได้ตลอดกาลนานเท่านานอย่างนี้ด้วยประการชนิ้ชื่อว่ารูปเป็นอุตตุปัจจะญาอุตตุสมุทฐาน โอชามีฤดูเป็นสมุดฐานถึงความตั้งอยู่แล้วทำโอชัธรรมกะรูปอื่นให้ตั้งขึ้นอีกทั้งโอชาในโอชาธรรมกะรูปนั้นก็ทำโอชาธรรมกะรูปอื่นให้ตั้งขึ้นด้วยสืบต่อความเป็นไปสิบหรือสิบสองวาระอย่างนี้ด้วยประการชนนี้ชื่อว่ารูปเป็นอุตตุปัชยะอาหารสมุดฐาน ในสมุดฐานทั้งหลายนั้นฤดูนี้เป็นปัจจัยเพราะเป็นผู้ทำให้เกิดรูปที่มีฤดูเป็นสมุดฐานทั้งหลายเป็นปัจจัยของรูปที่เหลือทั้งหลายคือรูปมีกรรมจิตและอาหารเป็นสมุดฐานโดยเป็นนิสยาปัจจัยอถิปัจจัยและอวิคตาปัจจัยด้วยประการชนีพึงเห็นความเกิดขึ้นของรูป เกิดจากฤ ด, ดูด้วยประการดังกล่าวนี้ความจริงโยคาวะจอนเมื่อเห็นซึ่งความเกิดของรูปด้วยอาการดังกล่าวมานี้ก็ชื่อว่ากําหนดรู้รูปตามการคือในเวลาหนึง่งวิธีกําหนดรู้ความเกิดของอรูปอันหนึ่ง เมื่อโยขาวจรกำหนดรู้รูปอยู่ก็พึงเห็นความเกิดของรูปด้วยฉันใดแม้เมื่อโยขาวจรกำหนดรู้อรูปอยู่ก็พึงเห็นความเกิดของอรูปไปด้วยฉันนั้นและความเกิดของอรูปนั้นพึงเห็นด้วยทางจิตตุบบาทฝ่ายโลกิยา8ปดสิบเอ็ดดวงนั่นเองเช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้ความจริงที่เรียกว่าอารูปนี้ ก็คือจิตตุบาท19ประเภทเกิดขึ้นก่อนในปฏิสนธิด้วยกรรมที่ประมวลไว้ในภพก่อนแต่อาการเกิดของอรูปนั้นพึงทราบตามนิยะดังกล่าวไว้แล้วในนิเทศแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเองอรูปคือจิตตุบาทสิบก้าประเภทนั้นนั่นแหลเกิดขึ้นโดยผวังกจิตเริ่มมาแต่จิต อันเป็นลำดับของปฏิสนธิจิตครั้นในที่สุดของอายุก็เกิดขึ้นโดยเป็นจุติจิตในจิตตุบาทสเกดวงนั้นจิตดวงใดเป็นกามาวจรจิตดวงนั้นเป็นโดยตถาลัมพนะในอารมณ์ที่มีกำลังในทวารหกแต่ในประวัติการเพราะความที่รูปทั้งหลายมาสู่คลองจากสุเพราะดวงจากสุมิได้แตกทาลายไป จักขูวิญญาณอาศัยแสงสว่างมีมณฑสิการเป็นเหตุจึงเกิดขึ้นพร้อมกับสัมปยุต ธ, ธรรมทั้งหลายเพราะว่าในทิฏฐิขณะแห่งจักสุประสาสรูปที่ถึงความตั้งอยู่นั่นเองก็กระทบจักสุครั้นจักสุนั้นถูกรูปกระทบภวังก็เกิดขึ้นดับไปสองครั้งจากนั้น กิริยามโนธาตุก็เกิดขึ้นทำอวชนากิจคือการรำพึงนึกให้สำเร็จในอารมณ์นั้นนั่นเองในลำดับนั้นจากขวิญญาณที่เป็นกุศ ล, ลวิบากหรือเป็นอกุศ ล, ลวิบากก็เกิดขึ้นเห็นรูปอันเดียวกันนั้นจากนั้นวิปากามโนธาตุก็เกิดขึ้นรับรูปเดียวกันนั้นคือสัมปติชนะ รั้นแล้ววิปากะอเหตุุกะมโนวิญญาณธาตุก็เกิดขึ้นพิจารณาสันติรณะรูปเดียวกันนั้นนั่นเองจากนั้นกิริยาเหตุุกะมโนวิญญาณธาตุประกอบด้วยอุเบกขาก็เกิดขึ้นกำหนดคือวัธพนะรูปอันเดียวกันนั้นต่อจากนั้นบรรดากุศลจิตอคุศลจิต และกิริยาจิตที่เป็นกามาวจรทั้งหลายอาเหตุกาจิตประกอบด้วยอุเบกขาหนึ่งดวงหรือชวนะห้าหรือเจ็ดก็เกิดขึ้นจากนั้นในบรรดาตถาลัพนาจิตสิบเอ็ดวงของกามาวจรจิตทั้งหลายตถาลัพนาจิตดวงใดดวงหนึ่งซึ่งสมควรแก่ชวนะก็เกิดขึ้นด้วยประการชนนี้ แม้ในทวาร น, นอกนี้มีโสตทวารเป็นต้นก็มีในยะดังกล่าวมานี้แต่ในมโนทวารแม้มหักคตาจิต ท, ทั้งหลายก็เกิดขึ้นชะนี้แหละพึงเห็นความเกิดขึ้นของอรูปในทวารทั้งหลายหกด้วยประการดังกล่าวนี้ความจริงเมื่อโยคาวจจรเห็นอยู่ซึ่งความเกิดของอรูปด้วยอาการดังกล่าวนี้ ชื่อว่ากำหนดรู้อรูปตามการคือในเวลาหนึ่งโยคาวจรท่านหนึ่งแม้กำหนดรู้รูปตามการในเวลาหนึ่งและกำหนดรู้อรูปตามการในอีกเวลาหนึ่งด้วยสัมมาสัญญาณโดยอาการดังกล่าวนี้แล้วยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ปฏิบัติอยู่โดยลำดับจนบรรลุอุท ย, ยาพยยากขึ้นไป ก็ทำปัญญาภาวนาให้ถึงพร้อมได้